ไม่เป็นรูประธรรมก็มถือว่ายังไม่ถูกนะเพราะศีลในแง่ของนามธรรมเป็นอย่างไรคือการจะระเบียบจิตระเบียบจิตใจของเราจิตใจเราเป็นระเบียบกายเป็นระเบียบและวาจาเป็นระเบียบเรว่องศีลภายนอกเราภายในตรงกันนะคว่าสมาธิเรารู้ว่าสมาธิภายนอกเป็นอย่างไรความชัดเจนความมั่นคง แล้วความสเสถียรระดับหนึ่งไม่ว่าการนั่งการนั่งอย่างไรถ้านั่งแบบมีสมาธิก็คือจะไม่นั่งตัวงอหรือ ต, ตัวเอนั่งนั่งตัวตรงปรับให้สบายจิตนะใจก็ราบเรียบมันคงไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวได้ง่ายสมาธิภายในแล้วก็ปัญญาภายนอกคือความโปล่งเบาสบาย ไม่มีปัญหา <c oughs> แล้วก็สงบนะปัญญาภายในคือจัดระเบียบจิตของเราอารมณ์ความคิดอะไรต่างๆนี่ก็ว่าการเจริญสติก็จะออกมาเป็นผลให้ศีลสมถิปัญญาให้ทำงานตรงกันทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมนะนี่เรียกว่าเปลี่ยนนะ ทีนี้ตัวสติที่จะเข้าไปจัดระเบียบอย่างนี้ได้เนี่ยสติที่จะพัฒนาให้เป็นทั้งศีลสัสมผัิปัญญาต้องเป็นสติสัมมชัญญะเพราะนั้นตัวสติสมัม ญ, ญาเหมือนพ่อแม่นะสติเป็นแม่สัมภิยะเป็นพ่อนั้นเวลาเราสวดอาตาปีสมัมปชญยะขึ้นก่อนสัมปชานุสติมาทนะีนี้ ในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อเตรียมเพื่อให้ศีลสัสมปทธิปัญญาได้ทางานแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกตัวตื่นตัวความารู้สึกใจตื่นใจมันไม่เกิดศีลสัสมปทธิปัญญาก็ก็ไม่พร้อมที่จะทางานนะอันนี้คือหลักของคำสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อเราศีลยังไม่มั่นคงหมความระเบียบภายนอก ระเบียบภายในระเบียบภายนอกมาจากระเบียบภายในเนี่ยเช่นเวลาเราอยู่ที่บ้านห้องพักที่อยู่อาศัยเรามีศินไหมคือสะอาดไหมเรียบร้อยไหมถ้าหากที่พักที่อาศัยเวลามาไปมาไปเยี่ยมพระมามาเยี่ยม ว, วัดนี่สวยงามหรือไม่สวยงามแต่ไปอยู่ที่พักห้องพักการจัดระเบียบในครัวจัดระเบียบในห้องน้าสะอาดไหม เออถ้าหากเรดูข้างนอกสะอาดภายในก็มีส่วนละเพราะนั้นเองในการปฏิบัติภาพปฏิบัติเนี่ยบางทีเบ็ ด, ดบเป็นนามาทำคนนั้นว่าปฏิบัติคนนี้ปฏิบัติรู้ได้ไงปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ดูภายนอกด้วยข้างนอกเรียบร้อยมั่นคงแล้วก็โปร่งใสไหมเรียบร้อยมั่นคงโปร่งใสโอเคแสดงว่าภายในก็มีส่วนด้วยนะสมมติเรานั่งปฏิบัติไป ถ้าเรานั่งง่วงถือว่าเป็นระเบียบไหมสวยงามไหมนั่งง่วงกับนั่งตื่นนั้นใหนสวยนั้ไม่สวยนั่งง่วงก็หน้าจิตจืดตาลุบลูคอตกตกไลหลห่อห่อใช่ไหมไม่เป็นศิลปะดังนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคือการจัดระเบียบชีวิตทั้งภายนอกและภายในซึ่งมันก็ต้องเป็นพิสูจนได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมนะแต่ถ้าพิสูจนได้เดีย ว, ว่าเป็นนามธรรมก็ มีใครรู้ด้วยคุณมีจริงหรือเปล่านะ่เห็นเป็นรูปธรามก็เออโอเคมีส่วนนะจากนั้นในเมื่อวานที่ได้กล่าวมาก็คือในการจัดในการเคลื่อนไหวในส่วนอิเดียบทใหญ่อิเียบทย่อยนะให้มันสัมพันธ์กันในอิเดียบทใหญ่ทานั่งเนี่ย มันก็มีท่าย่อยอยู่ท้าย่อยคือทำงานคือตามองเห็นนะกายมีการเคลื่อนไหวเวทนามีเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงอยู่ในกายจิตมีความรู้สึกมีความรู้สึกคิดหรือไม่คิดตั้งมั่นหรือชอบหรือไม่ชอบอารม์มีอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบุญและเป็นบาปแล้วก็มันก็จะสะท้อนถึงกันงนั้นการเจริญสติปัฏฐานถ้ามันไม่ครบทั้งสตัวเวทนาจิตและอารมณ์ก็จะไม่ทํางานไม่เต็มที่เพราะนั้นเราก็มาทําตัวสติสมัมปชัญญะนี่ให้ครบนะสติที่ครบหมายถึงว่าตามหลักสตปัฏฐานก็จะเรานั่งเนี้ยสำรวจดูว่าชัดชัดมีกี่อย่างที่ปรากฏในกาย ที่เรานั่งอยู่ได้เคลื่อนไหวได้เพราะอะไรเพราะาธาตุอะไรลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นาธาตุอะไรเป็นาธนาตุ เ, าเรารู้ว่าขณะ น, นี้ข้างนอกลมมีไม่มีเราดูที่ไหนไใบไม้เป็นไงมันแว่งอ่าเพราะนั้นลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของาธาตุลมไอที่เรานั่งได้ตรงนั่งได้อ่าเข้มแข็งมั่นคงเป็นาธาตุอะไร ที่ที่แคบแข็งเข้มแข็งด้านตรงก็คือดิน่ว่าคงที่นะในลักษณะของร่างกายที่เรานั่งนะมีอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงไหมเย็นเป็นลักษณะของ น, ออน้ำนะอ่อนนะเข็งตึงเจ็บปวดวเป็นธาตุอะไรไ<ว>เป็นธาตุไฟ การทำงานของธาตุเป็นอาการเยอะต่างๆการที่เรามีสติเข้าไป i g h t ซต์เข้าไปดูลักษณะต่างๆข้างนี้ก็เลย Insight Meditation หมายถือว่าการเข้าไปดูให้ชัดๆเหมืนอนเอาแสงสว่างไปส่อง i n s i g ต t ตัวนี้ยไม่ใช่อิ i ไซต์ดีอีนะอิน i ซต์ g ี t ทีที่ว่าแสงสว่างภายในเหมือนเราเข้าไปส่องดูว่าเออมันกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นในตัวเองบ้างนะในขณะนี้ มีลมหายใจลึกๆตื้นสั้นหรือยาวรู้สึกตัวไหมาการใส่ใจเข้าไปนะแล้วขณะที่เรานั่งอย่างนี้มีอาการทางกายเปไ็นองมีการยกมือสร้างจังหวะการช่างสว่าการยกมือเปิดเสมือนการเลดา้าที่คอยสํารวจโดยเฉพาะเลดา้าที่บนหอเป็นทาวเวอร์ที่สนามบินมันคืจะหมุนตลอดเวลาใช่ไหมทำไมต้องให้หมุนตลอดเวลา เพื่ออะไรเพื่อรับสัญญาณสิ่งรอบด้านใช่ไหมว่าไม่รู้ว่าเครื่องบินนี้เข้ามาเป็นเครื่องบินค้าศึกเป็นเครื่องบินพันธมิตรหรือเป็นเครื่องบินส่วนตัวเป็นเครื่องบินพาณิชย์เป็นเครื่องบินทหารเป็นเครื่องบินไฟล์ไหนมันก็จะรายงานลงมาที่ผ ล, ลุมันมปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ก็เหมือนคือเป็นวงจรปิดที่ตรวจสอบตลอดเวลา เท่นั้นจะเข้าขึ้นตละดนั่นก็คือเช่นเดียวกันการเคลื่อนไหวที่ตามรู้การเคลื่อนไหวตลอดเพื่อตัวการเคลื่อนไหวย่อเป็นตัวสัญญาณบอกว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นในกายของเราบ้างเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกที่เราตั้งขึ้นมาโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนอาศัยการเคลื่อนไหวของสัญญาณเลดา้าที่มันหมุนเนี่ยแต่มันก็จะบอกอะไรหลายอย่างการเคลื่อนไหวยกมือเนี่ยมันบอกความชอบไม่ชอบความ ง่วงความเบื่อความเซงความขี้เกียจไม่ขี้เกียจความหนักความเบาอต่างๆมาคอยส่องให้ดูแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวคอยกระตุน้นจิตของเรามันก็จะล่องลอยไปตามไปตามสิ่งที่กระทบรูปเสียงกลิ่นโดยสัมผัสมากระทบจิตของเราล่องลอยไปตามว่ากระทบแล้วรู้สึกอะไรชอบหรือไม่ชอบเราก็ล่องลอยไปตามมันแต่พอตัวตัวนี้คอยกระตุน้นคอยเตือนให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตของเราก็จะมาจับตัวรู้ ตัวรู้สึกแต่อาศัยตัวการเคลื่อนของรูปซึ่งเป็นตัวเหมือนกับช้อนที่เราตักอาหารมือนี่ยนะแต่ว่าเราไม่ได้กินช้อนเข้าไปเลยใช่ไหมเรากินอะไรเรากินอาหารนะแต่อาหารในที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้กินมันก็จะย่อยทิ้งไปใช่ไหมเราเอาอะไรของอาหารเอ า, าธาตุของอาหารใช่ไหมาธาตุดินน้ำบุมรไฟที่สกัดไปจากอาหารพอสกัดเสร็จมันก็ทิ้ง นะนั้นตัวรู้สึกที่เกิดจากมือเคลื่อเนเหมือนกับรสอาหารที่เกิดจากช้อนทีลเตักจริงๆแล้วเราต้องการเอาตัวรู้สึกนั่นแหละเป็นตัวเป็นที่ตั้งของจิตแต่ไม่ได้เอาการเคลื่อนไหวของมือเป็นที่ตั้งของจิตแต่การเคลื่อนไหวของมือเป็นเพียงอุปกรณ์นะแต่ถ้าเราจะใช้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอ เนื่องจากความหนักหน่วงความชัดเจนของมันเนี่ยมันเป็นรูปธรรม ท, ที่ค่อนข้างละเอียดหายใจเข้าเราดูอาการมหนักรล้วบอกเข้าออกแต่เราไม่เห็นตัวของลมหายใจเลยว่าเป็นอาการอย่างไรรู้ว่ามันมีการเคลื่อนอยู่รูปนี้ละเอียดประนี่เกินไปสําหรับคนที่มีสติสัมยาวยังไม่เข้มแข็งก็ไม่สามารถที่จะเอารูปละเอียดไปที่ตั้งได้นะเพราะจิตของเรามัน กัดแกวงวันไหวไปเร็วไปลึกแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเกินไปพอเราอรูปธรรมจับเป็นที่ตั้ง <c oughs> นะรูปธรรมเป็นที่จับตั้งตัวรู้ที่เกิดจากรูปธรรมที่ชัดเจนตรงนี้มันก็จะเข้าไปรู้เท่าทันอาการที่มากระทบความรู้สึกที่เป็น กายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นอารมณ์ก็สำรวจรู้เท่าทันแต่นั้นเองท่านถึงใช้คําว่าสัมปชานญูขึ้นก่อนเนอาตาปีสัมปชัญญสติมาทิเรศวนฒิมิกเกะวินัยยโลเกอพิชาโุมานต์คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าในในตั้งแต่หัวจุดเท้าของเราเนี่ยแต่ท่านก็มีนิยามหรือ definition เอาไว้ล็อกเอาไว้ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบไหนมันถึงจะถูกรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนกันแบบไหนล่ะ ซื่ตัวรู้พร้อมแบบมันเป็นนมามธรรมเกินไปใช่ไหมท่านเลยนิยามขึ้นมาล็อกความหมายอยู่สี่ความหมายหนึ่งในการคุณขยับเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเป้าหมายของคุณคืออะไรหลือเคลื่อนไหวไปเฉยๆตามตามอารมณ์ไม่มีเป้าหมายนี่เรียกว่าไม่เป็นสมัชัญญาการที่จะยกมือหรือขยับตัวสักนิดหนึ่งอย่างมีเป้าหมายว่าเราต้องการที่จะระบายหรือผ่อนคลายความ หนักหน่หรืออุดอัดอะไรบางอย่างเราก็มีเป้าหมายลักษณะรู้เป้าหมายที่ตั้งที่เราต้องการค่อนข้างชัดเจนคืออะไรในการเคลื่อนไหวเบื้องหลังมันว่าเงั้นเธอลักษณะสมัม ช, ชัสแบบนี้ท่านใช้คำว่าศ า, าสกะสัมปชัญญะคือรู้ตัวเท่าพร้อมถึงประโยชน์และอนิสงเกิดจากการที่เคลื่อนไหวแบบนี้ อันที่สองลักษณะที่เป็นสมัญย์ย่ถูกต้องคือรู้สึกต้องสบายและผ่อนคลายถ้าตั้งใจจนเกร็งมากเกินไปเป็นสัมัชย์ย่าไหมตั้งใจช้าแบบนี้อันนี้ไม่เป็นละนานไปมันก็จะเครียดใช่ไหมก็ตึงทั้งหลังทั้งไหลไม่เป็นไม่เป็นสบายเพราะนั่นที่สองท่าต้องมีสบายะสมัชย์ย่คือรู้สึกผ่อนคลายและสบายจึงเรียกว่าสมัชย์ย่ที่ถูกต้อง อันที่สามขณะที่เรานั่งเนี่ยการโคโจรของธาตุและขันตรงกันไหมการโคโจรของธาตุหมายถึงร่างกายของเราขณะนีรู้สึกชัดไหมแล้วก็ขันคือจิตของเราเนี่ยมันโคโจรอยู่ที่ไหนโคโจรออกไปข้างนอกหรือโคโจรอยู่ข้างในมันรู้ตัวอยู่ข้างในหรือคิดออกไปข้างนอก าการที่เราสามารถเห็นว่ากายกับใจมันโคจรด้วยกันมือเคลื่อนไปจับอันนี้ใจก็ไปด้วยโคจรร่วมกันใช่ไหมแล้วมือดึงกลับมาก็รู้ลักษณะที่ตามรู้การโคจรของกายที่ไปด้วยกันเรียกว่ากายกับจิตโคจรไปด้วยกันเรียกว่าโคจรสัมชัญญะแต่ถ้าเราไม่ได้ตามรู้ว่ากายกับใจ โคจรดูไปด้วยกันหรือไม่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตามมันก็ไม่เป็นสมัมพันธัญญาละก็ขาดองค์ที่สามไปใช่ไหมองค์ที่สี่ท่านใช้ก็ว่าอะสัมโมหะสมมัมหมายความรู้สึกตัวพอพร้อมที่สามารถตรวจสอบได้ว่าชั่วโมงหรือนาทีแรกที่เรานั่งลงไปจนนี้จนมาถึงบัเนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างไรตรวจสอบตั้งแต่แรกนั่งรู้สึกสบายไหมแล้วมาถึงตอนนี้รู้สึกสบายไหม ไม่ค่อยสบายแลย้วใช่ไหมง่วงเหงาวปวดเมือ่อยเบื่อซิงชอบไม่ชอบหนักน่วงลำดับเห็นวันมาเรื่อยๆจนขณะวินาทีนี้ท่านใช้คำว่าอาัศมคือไม่หลงลืมตั้งแต่แรกที่เราเริ่มต้นแล้วมาสามารถตรวจสอบเรืวหน้าเรืวหล ắng, ังดูอ่ากลับไปดูข้างหลังอาสมวอัศมุหะแปลว่าไม่หลงลืมใน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตั้งแต่ต้นจนขนาขณะนี้ช่วงแรกที่เรานั่งไปขณะนี้เป็นยังไงตรวจสอบลักษณะปรับให้เกิดความพอดี4ประการว่าหนึ่งรู้เป้าหมายของกันขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวสองรู้แบบสบายๆโปร่งปลอดโปรงไม่ตึงไม่เครียดไม่เกร่ง3ามกายกับใจทำอะไรสอดคล้องและไปด้วยกันสมีการตรวจสอบตั้งแต่แรกจน แต่ละขณะที่ผ่านไปสิบนาทีสิบนาทีเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นอดีตแล้วใช่ไหมและก็ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแล้วที่จะเปิดข้างหน้าเป็นอย่างไรตดวสอบลักษณะเรียกว่าอสัมโหาสัมปจนญะเพราะ จ, จริงๆเอามาขึ้นก่อนเลยเพื่อตรวจสอบเป้าหมายแล้วสัมปัตสัญญะตามด้วยสติก็คือตัวสติ ตัวสัมปชัญะเหมือนกับดวงไฟที่เป็นดวงดวงแบบนี้นะคือหมายความ ก, กว้างวิธีที่กว้างแต่เมื่อไหร่ถ้าจะใช้ถ้าไฟนี้ปิดมืดจะใช้เป็นเพียงบางจุดเฉพาะเราใช้ไฟอะไรไฟฉายใช่ไหมสติจึงเปลียนเส ม, มือนไฟฉายดูเฉพาะที่สัมปชัญะจึงเปลี่ยนเส ม, มือนไฟโคมที่กว้างกว่าครอบคลุม มันสติสมัยรวมกันเหมือนกับไฟโคมและไฟฉายบางครั้งเราต้องการใช้เฉพาะจุดไม่จําเป็นต้องเปิดไฟทั้งหมดบางครั้งเราต้องการเปิดไฟทั้งหมดนี่เรียกว่าสติม า, าสัมปะไฟทั้งสองอย่างเราใช้อนไรมากกว่าทั้งไฟที่เป็นดวงและไฟฉายอือด้วยความจําเป็นนะบางครั้งก็ใช้ไฟฉายมากกว่าบางครั้งก็ใช้ไฟสว่างนี่มากกว่าอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องทราบเป็นเบื้องต้น เพราะว่าถ้าเราไม่จําหลักการที่เบื้องต้นให้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถลําดับการปฏิบัติของเราได้ว่าเออมันเป็นมาอย่างไรลักษณะที่ทบทวนลําดับให้เห็นขบวนการของการเป็นไปของความรู้สึกชัดเจนเนี่ยตรงนี้มันเกิดเป็นวิชาขึ้นมาเป็นวิชาคําว่าวิชากับวิชานี่ต่างกันนะถ้าเป็นวิชานี่มีชอช้าง สตัวใช่ไหมถ้าเป็นวิชามีเสียช้างตัวเดียวถ้าเป็นทางเราไปใช้ทางด้านภาษาที่เป็นวัตถุเราจะวิชานั้ น, ว, น, นวิชานี้เป็นภาษาที่ใช้กับวัตถุภายนอกถ้าเป็นวิชาเนี่ยหมายถึงภาษาที่มาใช้กับจิตโือเฉพาะวิชาที่รู้ขบวนการขั้นตอนเราเรียกว่าเป็นเทอร์ียหรือเป็นทฤษฎีนะนั้นเองก็กสัมพันธ์กันทั้งสองส่วนภาคปฏิบัติหมายถึงว่าเราสัมผัสได้ แตละขนาดภาคทฤษฎีหมายถึงว่าเราตรวจสอบในรายละเอียดของมันได้ว่าเออสัมผัสอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอย่างไงนะมันมีอะไรที่ในตัวความสัมผัสจุดนี้นะเราก็สัมผัสเข้าไปนะั่แล้วจะเห็นว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราถ้าหากว่าเรามีการทําอย่างนี้เสมอๆ เ, เนี่ยสติสมัมมาจารยก็จะเข้มแข็งขึ้นรวดเร็วขึ้นนะะความสัดใสเ ล, ลวนหรือลวนของ ระบบต่างๆก็จะไม่เกิดทุกอย่างกระชับมั่นคงแล้วก็เป็นระบบไปนในตัวของมันเองจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินมันมีระบบของมันหมดนะลักษณะ น, นี้เองท่านจึงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นไปได้วยความเคยชินให้มาเป็นความรู้สึกที่มาเป็นระบบคือรู้เนื้อรู้ตัวเรียวกว่าเปลี่ยนจากตัวสติที่เป็น โดยสัญชตาตญาณให้เป็นปัญญาญาณขึ้นมาได้ด้วยอาศัยตัวสติเข้าไปจัดระบบแบบนี้นะเพราะนั้นเองหลักการอันนี้มันก็ทำให้เรามีความคงเส้นคงวาในการใช้ชีวิตคือหมายความว่าไม่ไม่เป็นไปตามกระแสะไม่ไหลไปตามกระแสะขอ้ความกระแสะหลักของชีวิตมันมีกี่อย่าง แกระแสหลักที่ทำให้ชีตข้างเราเป็นไปเนี่ยมีกี่แกระแสอภิชาและโูมนัสใช่ไหมอิอริสเซตมืเอกีวินัยยาโลเกอภิชาธรมนัตสังแกระแสแข็งอะอพิชานะไม่ใช่อภิชานะอะพิชาแปลว่าสแสงควา ม, มพงพึงพอใจถ้าเราไม่รู้จักมัน เราพอใจไหนเราก็จะตามมันนั้นไปใช่ไหมเราคืจะไหลความคิดตามเรื่องนั้นไปแต่ถ้าเมื่อใดมีเหตุที่ไม่น่าพึงพอใจเราจะคิดในเรื่องไปเรื่อยๆ้ยทําไมว่าอย่างนี้ทําไมหมายความว่าไงทำไมทำไมทำไมมันได้ขึ้นมาในหัวเราตลอดนั่นคือกระแสของความไม่พอใจละมันก็จะขึ้นมามีบ่อยใช่ไหมเราตามมันไปไหมตามไปนั่นคือเรียกว่ากระแสถ้าหากว่าเราจัดลาดับปับ๊บเราจะเห็น อันนี้ท่านกำลังรู้สึกพอใจแล้วก็ไม่คิดต่ำมันรู้ความรู้สึกนะมารู้สึกขมรู้สึกล้วนๆความพอใจก็จะถูกเจียหยางไปหายไปแต่ถ้ามีอะไรกระทบในทางที่ไม่พอใจเราก็รู้อ๋อนี่ไม่พอใจแล้วนะซึ่งเมื่อวานเรามีการลำดับให้เห็นว่าความ พอใจไม่พอใจเนี่ยเกิดมาจากอะไรเมื่อวานลำดับให้ฟังแล้วเนาะเกิดมาจากความพอใจความไม่พอใจความยินดีความชอบใจเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความรู้สึกสบายทางกายใช่ไหมที่เรียกว่าสุขเวทนานะเพราะนั้นเราปรับอิทิบนนุตทเพื่อให้เกิดความสบายในส่วนที่เราทนได้แต่ว่าความสบาย มันมากเกินไปจนเราทนไม่ได้เราเสพลักษณะนี้ก็จะเป็นอภิชาคือติดใจนะติใจทานอาหารนี่ติดใจฟังเพลงนี่ติดใจดูห น, นุ่มสวยติดใจ น, นอนที่นอนนี่นุ่มนิ่มติดใจอารมณ์นี่อารมณ์ที่น่าพอใจรูปเสียงคิรสัมผัสที่พึงพอใจเข้ามาแล้วก็ติดใจประการ น, นั้นเราก็จะพอติดใจแล้วเราก็อยากจะเพิ่มจํานวนใช่ไหม อย่างทานอาหารคําแรกโอ้รู้สึกพอใจอร่อยก็จะมีต่อด้วยคําที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปจนอิ่มแล้วยังไม่พอเลยอิ่มไปอีกนะเลยอิ่มไปอีกมันก็เกินทีนี้เพราเกินร่างกายเราก็จะเกินน้ําหนักเราก็จะเกินขึ้นอันนึ่งมาจากความพึงพอใจแต่เราสามารถไม่ ไม่สามารถค n t r o l หรือตัดมันได้เพราะอะไรเพราะมันมีกำลังเขาเรียกว่าความพอใจที่เราเสพมันมันก็จะมีเป็นส่วนเกินตรงนั้นเองเขาเรียกว่าสมุทรไก็ให้เกิดความไม่สบายกายและไม่สบายใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะในขณะเดียวกันคนรู้สึกไม่พอใจกินอาหารไม่ได้กินอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่อร่อย แสดงว่ามีอะไรผิดปกตินานเข้านานเข้ า, ขาคนนี้ก็เป็นไงกินข้าวไม่ได้กินอาหารไม่อร่อยอร่างกายก็จ ะ, ะสูบ้อมลงความไม่พอใจก็ทาให้เราเกินไปในทางทุกเวทนาทางขาดความพอใจก็เป็นสุขเวทนาในทางเกินนะนั้นเองจุดนี้เราก็จึงมาเรียนรู้เบื้องต้นนี้ก่อนว่าความขาดความเกินในชีวิตของเราเกิดจาก 2ตัวนี้คือความพอใจและไม่พอใจแล้วมันก็กระจายไปสู่ระบบวัตถุด้วยนะอันไหนที่เราคนชอบมากๆคนชอบมากๆราคาสู้กันราคาก็จะขึ้นใช่ไหมล้วคนนั้นราคาก็จะขึ้นวัตถุไปไงขาดตลาดอันนี้บริโภคเกินแต่สิ่งไหนคนไม่ชอบกู้ขายไม่ออกสิ่งนี้ก็จะไปไงก็จะเหลือ คนก็ไม่ซื้อขายไม่ได้ก็จะขาดทุนก็จะเป็นระบบพลังที่เป็นวัตถุนมามธรรมสอดคล้องกันอย่างนี้การบริหารชี้ก็เช่นเดียวกันนะรัะนั้นเวลาเรารู้สึกเบื้องต้นที่เรายกมือรู้สึกตัวเราก็จะปรับในร่างกายนะมันมีความขาดความเกินเข้ามันอยู่ตลอดเวลาที่เราใช้คาว่าเมื่อวานมันไม่สมบูรณ์ในตัวเองมันมีความขัดแย้งในตัวของมันเอง มีความขาดความเกินในตัวของมันเองดังนั้นเราจึงต้องการความรู้สึกความรู้เพื่ออามาปรับให้เกิดความพอดีเลยแล้วนั่งถ้าเกิดความพอดีอยู่เสมอเราดั่งได้นานไหมนานได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมมันพอดีแล้วรู้สึกสบายและผ่อนคลายแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักปรับมันมันจะเป็นยังไงขาดบางเกินบ้างใช่ไหมนั่งไปสักพักมันขาด นั่งบริสุทธิ์มันเกิดก็หนักเหนื่อยพราะหนักเหนื่อยขึ้นมาทางกายปั๊บที่ใจเป็นไงก็เบื่อสิงขาดเกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าเราไม่มีความเพียรในการปรับนะ ม, มีความเพียรในการปรับดังนั้นที่เรามายกนี่เพื่อนหนึ่งสร้างศรัทธาที่จะทําได้ตลอดเวลา <c oughs> นั่งปฏิบัติไปด้วยนะแล้วก็ทําไปด้วยสองมีความเพียรที่จะศึกษาว่ายกแต่ละครัง้งคลิกแต่ละที รู้สึกอย่างไรแล้วตัวรู้สึกเนี่ยถูกตอกย้ำซ้ำซากลงไปคขาว่ารีพีทไอเกียนไอเกียนเรปิดิชแล้วก็รีพีทตอกย้ำลงไปตอกย้ำลงไปมันความรู้สึกนี้ก็จะมีความหนักแน่นความลึกลงไปตามลำดับเมืม่อเราตอกหลักใช่ไหมปอกปอกแต่ถ้าเราเอาหลักปักไปแล้วเราไม่ไม่ตอกก็หลักมาอยู่แค่นั้นตื่นตื่นหลักตื้นก็หลักลึกเวลาเรามาชดในไหนจะทนได้กว่า หลักลึกก็จะเหมือนเราเราไปผูกอะไรติดปลูกวัวปูกไก่นะเขาก็จะตีหลักลงไปลึกๆจิตของเราก็เหมือนอสัตว์ที่เราปูกกับหลักคือตัวความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นหลักถ้าความรู้สึกเรามั่นคงลึกนั่นก็หมายความว่าอารมณ์ต่างๆที่มันจะกัดแก่งมันไปไม่ได้แล้วพอมาติดหลักตนนัวนี้มันถูกมัดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราไม่พยายามตอกย้ำไม่ย้ำตอกหลักของความรู้สึกให้มันลึกให้มันมั่นคง เวลาอะไรมากระทบรูปเสียงกีดโทษลบรูปเสียงกิีดรถสัมผันธ์มากระทบปับ๊บมันก็จะดิ้นเลยด้วยอำนาจของสองอย่างคือดึงไปดึงเข้าก็ดึงออกดึงไปข้างหน้าดึงไปข้างหลังถ้าสมมุติว่ามันชอบมันก็ดึงไปข้างหน้าถ้าไม่ชอบมันก็ดึงไปข้างหลังหลักเป็นไงก็หลุดไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบหลักก็หลุดความรู้สึกคื อ, อวันนี้ฉันหลุดเยอะเลยนะใช่ไหมเราพูดใช่ไหมวันนี้ฉันหลุดไป เ, อเยอะเลยแสดงว่าหลักเป็นไง ไม่มั่นคงไม่ลึกพอหน้าที่ของเราทําไงแล้วคัดตอกให้ลึกดอกเรื่อยๆคนไหนขี้เกียจดอกเป็นไงสิ่งที่ไปมัดมันแรงวัวควายแรงจิตมันเดือดแล้วแต่าหาความรู้สึกเราตื้นไปไงมันก็หลุดใช่ไหมหลุดมันก็ล่องลอยไปกับอารมณ์โทษใครได้ไหมโชควาสนาบารมีโทษวิบากโทษกรรมโทษครูบาอาจารย์โทษสรารพัดแล้วทีนี้ในที่สุดที่ถูกต้องโทษใคร โทษเราเองที่ไม่มีศรัทธาและความเพียรเพียงพอที่จะตอกย้ําซ้ําเติมอยู่ในหลักอันเดิมเพราะฉะนั้นการภาวนาคือการทําซ้ําๆทาซ้ําๆเพื่อความมั่นคงถ้าเปเสมือนต้นไม้ถ้ามันอย่างรากลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปความเติบโตข้างบนมันก็จะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแตกดอกออก กิ่งแก่งอกออกกิ่งขึ้นไปมาเป็นผลไปตามลำดับใช่ไหมนั่นเองตัวที่เราตอกย้ำลึกลงไปมั่นคงไอ้การที่เราคอยตอกนี่เป็นอาการของอะไรสติไอ้คอนที่มันลึกแล้วมั่นคงเป็นอาการของสมาธิใช่แล้วอาการที่เอาะไรไปผูกแล้วมันไม่ลม้มเป็นอาการของปัญญานะนั้นจิตของเราก็สามารถที่จะรับอะไรได้อย่างอ่าหมายความว่ามันก็จะมั่นคง นั่นเองทําไมถ้ามีคนถามเอ้อทําไมหายใจซ้ำซากหายใจดังทางวันหรืขึ้นก็เพื่อตอกย้ําความรู้สึกลึกทําไมต้องสังเกตการเคลื่อนไหวแบบซ้ำซากก็เพื่อตอกย้ําความรู้สึกนี้ให้มันคงด้วยที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าเมื่อเรามีสมรจะยสติแล้วหลักของศีลสมาธิปัญญาก็จะมันคงลึกมากขึ้นนะเมื่อเราเห็นอนิสง์ประโยชน์อนิสง์ชัดเจนอย่างนี้เราเขี้เกียจไหมที่จะ เราย้การเคลื่อนไหวก็ไม่ขี้เกียจแต่เราจะหาวิธีทำให้มันสนุกทำให้มันชอบแต่ถ้าเราไม่หาวิธีเราก็น่าเบื่อไม่รู้ทาไปทำไมเซ็งนี่แสดงว่าเราขาดอะไรขาดศรัทธาและความเพียรเมื่อศรัทธาความเพียรไม่เข้มแข็งสติสมริติปัญญาจะเติบโตไหม ก็ไม่เติบโตเหมือนต้นไม้ถ้ารากมันตื้นอยู่มันก็เติบโตเพราะรากมันยั่งลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปศรัทธาเปลียกเสมือนน้าชุ่มจะทำให้ดินชุ่มร่วนชุยพอที่ยากหลังความเพียรเปลืยบเสมือนแสงแดดที่ส่องลงมาต้นไม้ถ้ามันเราไปต้นไม้ต้นพริกเขืออะไรเนี่ยถ้าไปปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเป็นโตมันโตไหมเป็นลูกเป็นผลไหมก็ไม่เป็นแล้วเพราะไม่ได้รับการสังเคราะห์ เพราะนั้นต้นไม้เบื้องหลังที่มันสูงชรุ่นขึ้นไปนี้มันต้องการอะไรหดต้องการแดดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเพียร น, นั่นเองจะทําให้เราเติบโตได้สูงขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นนะเราจะไม่ถูกอะไรมาครอบให้มันเตี้ยลงเพราะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้มีศรัทธาและความเพียรที่ต่อเนื่องแล้วมัน่นคงสติสมริตปัญญาของเราก็จะเติบโต ความรู้สึกตัวนี่แหละโดยวิธีการอันนี้ก็ทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไ ป, นปนตามลาดับทีนี้มาดูว่าในการเจริญสติแบบนี้ที่มันจะไปเป็นทางที่ถูกต้องและถูกทางเราบอกความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวรู้สึกอย่างไรรู้สึกในที่ไห น, นรู้สึกในกายในขณะนี้กายเป็นไงสังเกตรู้สึกในเวทนาความรู้สึกของกายเป็นอย่างไร รู้สึกในจิตจิตเป็นยังไงอาการของจิตรู้สึกตัวเข้ามันและอาการของมันสองอย่างเนี่ยรู้สึกรูปคืออาการของรูปเรื่กายเวทนารู้สึกถึงนามมาถึงจิตกับอารมณ์อาการของจิตกระ้ไปจนกระทั่งวันรู้ไปจนตลอดเวลานะแต่ถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะมาทำลักษณะเวลาเป็นพิเศษนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมาตอกย้าจิตของเราก็จะไหล ลื่นไปตามสิ่งที่มาชักจูงและกระทบตลอดเวลาด้วยความพอใจไม่พอใจแล้วก็ตกเป็นธาตุของมันจิตของเราก็จะถูกถอนไปกับอารมณ์นั้นนั้นนั้นเราจึงมีเวลาระยะหนึ่งที่จะมานั่งตอกย่ำแบบนี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ารู้สึกได้ว่าจิตของเราที่มันถูกกระทบแล้วมันไม่ตอบสนองไม่レスปอนทันทีมันดูก่อนดูก่อนที่จะเมื่อก่อนมีอะไรกระทบปับ๊บก็สวนเลยใช่ไหมเมื่อกระทบปั๊บ ก็ส่วนเลยซึ่งตรงนี้เองทำให้การปฏิบัติเราไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้านั้นหลังจากปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้สึกสงบมากขึ้นนิ่งมากขึ้นตั้งใจตั้งสติดูก่อนก่อนที่มีอะไรมากระทบเราจะตอบสนองในทางดีหรือไม่ดีทางชอบหรือไม่ชอบเราดูก่อนมีการย้ำนะแต่เมื่อก่อนนั้นพอกระทบปับ๊บตอบสนองทันทีเลยถูกผิดไม่รู้นะ นั่นคือเป็นผลที่มาของความทุกข์ของเราความไม่สบายกายไม่สบายใจของเราจึงเกิดขึ้นนั้นเองในการเจริญสติแบบนี้ก็ทำให้เราชีวิตของเรามีระบบมีระเ บ, บียบมีความสุขมีความสงบและมีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆความเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะในอานิสงส์ของการเจริญสติข้อแรกท่านใช้คาว่าสัตตานังวิสุทธิยา เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตที่สูงอันที่หนึ่งนะจิตที่ไม่สะอาดจิตไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นไปตามอํานาจการกระแสนิสัยสองอย่างคือกระแสนของความพอใจและไม่พอใจถ้ารู้สึกพอใจไม่พอใจจิตของเราก็ลืมเศร้าหมองและแปดเปือ้อนแหละแต่พอเราไปเจริญสติตามรู้อย่างนี้บ่อยเข้าบ่เข้าไปเข้าจิตของเราก็จะไม่มีความรู้สึกพอใจไม่พอใจเข้าไปแปดเปื้อนหรือเข้าไปครอบงํา คือมันมันไม่เกิดง่ายๆความพอใจก็ไม่ไม่เกิดง่ายเกินไปความไม่พอใจก็ไม่เกิดง่ายเกินไปก็ทําให้รู้สึกออสบายและผ่อนคลายในส่วนทั้งร่างกายและจิตใจนะอันที่สองอันที่สองนั่นใช้คาว่าโสทุกโสกับปฏิเทวนงังสมติกมายะสามารถความข้ามความรู้สึกวิตกกังวลได้ถ้าทําไปนะ ความวิตกกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มันข้ามไปได้แต่มันหมายความว่ามันไม่มีนะมันมีแต่ข้ามไปได้อย so ่าเราเดินทางเนี่ยมันมีหลุมมีร่องมีน้ํามีไหนแต่ว่าเราเห็นก่อนเราข้ามมันไปนะแล้วไม่มีเวลาที่จะมาเคลียร์ออกนะยีะเราย้าข้ามไปได้อันที่สอหมายความความรู้สึกวิตกกังวลเรื่องโน้ตเรื่องนี้อะไรปั๊บเนี่ยเรารู้มันมีอยู่เราข้ามมันไปข้ามอย่งไรคือข้ามมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่ชัดเจนเสียอันที่สองอันที่สาม ท่านใช้คําว่าโสทุกขโทมณ์สานังอัดถังขมายะสามารถปลดเปื้องความไม่สบายกายไม่สบายใจออกได้ตามต้องการถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปนานเราเราหนักเรื่อยเรื่อยเรารู้สึกปวดเมื่อยเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราปลดเปื้องมันได้ไหมไม่ได้เพราะขาดอะไรเพราะขาดการสังเกตและขาดการบําบัด เมื่อไม่สัเกตก็ไม่รู้จักบําบัดใช่ไหมเราก็นั่งแช่อย่างนั้นปวดลัางปวดเอวปวดไหล่หนักเนื้อหนักตัวนั้นเพราะว่าเราไม่คอยพยายามปวดเพื่อื่องและบําบัดแสดงว่าขัดสติพอมีสติไม่นคอยปวดเพื่อื่องบําบัดเรื่อยๆร่างกายของเราก็สามารถนั่งนี้ได้หลายๆชั่วโมงโดยที่ไม่เหนื่อยเพราะเรามีการบําบัดและปวดเพื่อื่องมันต่อเวลาใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจตั้งอยู่ไม่ได้คือสามารถปวดเพื่อืองได้ตลอดเวลานี่อันนิสงอันที่ สานิสงอันที่สี่ท่านใช้คําว่ายายสะอตถิคมายะคือเราเข้าไปรู้ในส่วนที่เราแก้ได้แก้ปัญหาได้อะรู้แจะแก้ได้ญายสสคือเข้าถึงสิ่งที่เราควรจะรู้ควรจะเห็นควรจะเข้าใจท่านใช้คําว่ายายสะคือสามารถรู้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้คนส่วนใหญ่รู้ปัญหาแต่แก้ปัญหาได้ไหม ไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญตัวสติสัมมชนญาอันนี้อันนี้สงอันที่สี่ใช่ไหมอันนี้สงอันที่ห้าท่านใช้ว่านิพพานสัจิการณทายะทำความสุขความเย็นความสบายความสงบได้ตามต้องการสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ตามต้องการดีไหมดีบางครั้งเราต้องการสุขแต่ทุกคนมา ต้องการความสบายความไม่สบายมันมาต้องการความาพึงพอใจความไม่พอใจมันมาอะไรมันตรงกันข้ามหมดเราไม่สามารถทําความสุขความเย็นความสบายให้ตัวเองได้ตามต้องการแต่ว่าถ้าจเจริญสติให้ถูกต้องแล้วเราทําตรงนีไงนไงง้ได้ตามต้องการจะสุขจะเย็นจะผ่อนคลายอะไรต่างๆได้ตามต้องการนี่คืออนที่สูงห้าประการอันที่หนึ่งทกทวนอีทีอุณหภูมอิอันที่หนึ่งอะไร อะไรนะไม่ถามคุณเอกก่อนเพราะว่าคุณเอกจะต้องไปอธิบายกับดูน้องๆที่ยังจําไม่ได้หรือไม่เข้าใจคุณเอกจะต้องไปซ้อมอีกทีเนี่แล้ว <c oughs> ถ้าถ้าคนเป็นพี่เลี้ยงจำไม่ได้ลูกน้องก็ไม่ได้เอออาจารย์ว่าอ ย, ย่างไงนะเมื่อกี้กูก็ไม่ได้ฟังเหมือนกันหน่อยนี่ก็ไม่ได้เลยเสียท่า เ, เสียฟอร์มละเพราะฉะั้นข้อที่หนึ่งก็คือ อ่าเพื่อการชําระจิตของเราท่านใช้คาว่าสัตตานังวิสุทธิยาความบริสุทธิ์สะอาดจากความเป็นสัตว์เออท่านใช้คําว่าสัตตานังเลยนะคือในจิตใจของเราเนี่ยมีมีความเป็นสัตว์มาทุกคนเพราะเราเคยเป็นเกิดเป็นสัตว์มาก่อนในหลายๆชาติใช่ไหมเกิดเป็นลิงเป็นข้างเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าอะไรก็เกิดมาทั้งนั้นอ่ะเราเกิดมาเป็นคนนี่ถือว่าเป็นพัฒนาการสูงสุดของสิ่งมีชีวิตแล้วนะ แต่นิสัยและ d n a อ็เนี่ยมันเคยผ่านเหล่านั้นมาเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็เป็นไงอาการมันก็ออกมาใช่ไหมอาการไม่พอใจอาการอยากกระเงื่อนกระหือเรืออาการกระหายแบบที่อย่างสุนัขมันหิวใช่ไหมมันก็โดดเข้าไปกัดกันลุมกันคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในบางครั้งนี่ใช่ไหมไม่พอใจมันก็ชกต่อยกันตีกันเหมือนกับวัวกับความมันก็ชนกันลักษณะสัญชาตญาณมันติดเรามาอยู่ แต่เราชําระสัญชาติญาณนี้ออกไปได้เรื่อยๆอันที่หนึ่งนะสำคัญไหมเราก็คือความเป็นคนก็สูงขึ้นๆเรีอกว่าเป็นอริยะบุคคลแทนที่เป็นอบายะอภัยะบุคคลอภัยะบุคลคลที่ไม่สบายอริยะบุคคลคือสบายอย่างยอดเยี่ยมนะปิดเผยมีความสุขอย่างเปิดเผิตอนนั้นเองในลักษณะอย่างนี้มันจะต้องรู้เป้าหมายเราทําไปเพื่ออะไรทําเพื่อเป้าหมาย5ประการนี้นะหประการทําอย่างไร ทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรก็ได้กล่าวไปแล้วว่าให้เฝ้าดูตามรู้กายตามรู้ความรู้สึกในกายตามรู้จิตตามรู้ความรู้สึกในจิตแค่นี้เองวิธีการแต่ว่ากายที่ตามรู้มันเพื่ออะไรตามรู้อย่างไรตามรู้อย่างไรตามรู้ลักษณะไหนที่หนึ่ง เอาลักษณะสำคัญของมันที่เรามีชีวิตยอยู่ได้เราอาศัยอะไรเป็นเป็นเครื่องดำรงอยู่ขาดมันไม่ได้อ่าลักษณะที่หนึ่งตามรู้ลมหายใจเข้าออกหนักเบาสั้นยาวตามรู้ไปเรื่อยๆ เ, เราได้ตามรู้บนตลอดเวลาไหมเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตามรู้ตลอดเวลาเราถึงมาฝึกฝนอย่างไงฝึกฝนเพื่อจะให้ตามรู้ได้ตลอดเวลาอันที่สองตอถัดมาที่สาคัญถัดมาคืออะไร การเปลี่ยนเอียบทยืนเดินนั่งนอนขณะ น, นี้เราใช้มันตลอดเวลาใช่ไหมขณะ น, นี้เรานั่งสักพักเราก็ต้องยืนสักพักแล้วก็เดินสักพักแล้วก็นอนทีนี้จะยืนเดินนั่งนอนอย่างไรเราก็มีการยืนเดินนั่งนอนมาแล้วแหละแต่ดึนเดินนั่งนอนไหนที่มีสติยืนเดินนัง่งนอนอย่างไรที่ขาดสติเราต้องการยืนเดินนั่งนอนที่มีสติหรือขาดสติถ้าการยืนนั่งนอนที่ไม่มีสติเราทําที่ไหนก็ได้ใช่ไหม แล้วก็รู้ว่าการยืนเดินนั่งนอนที่ขาดสตินั้นทําให้เราขาด ส, ส, ส, สังศีนสมาธิปัญญาทําให้ชีวิตของเราขึ้นขนลงลงฟูฟูฟฟแฟบแฟหนาวหนาวร้อนๆอนไม่คงที่แต่พอการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติทําให้รู้สึกชีวิตของเรามั่นคงผ่อนคลายมีความสุขอ่ะเราก็ต้องการยืนเดินนั่งนอนแบบนั้นเราก็มาฝึกกันนะอันอที่สในการเฝ้าดูลักษณะที่สามเฝ้าดูลักษณะที่4ในยืนเดินนั่งนอนนั้นมีการ เคลื่อนไหวย่อยๆซ้อนอยู่ใช่ไหมรตรงนี้เขาเรียกอกบุทย่อยเช่นขณะนั่งเนี่ยมีอะไรบ้างกำลังทำงานอยู่ตามองเห็นไหมหูได้ยินจมูกกลิ่นอะไรอ่าไม่มีกลิ่นในะขณะนี้นะลิ้นไม่ลสไม่มีแต่กายรู้สึกสัมผัสใช่ไหมเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวอ่าในส่วนกายทั้งหมดตามรู้สิ่งเหล่านี้อะ ทีนี้อาการของกายและออกเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวเมื่อมีการกระทบแล้วอาการของกายี่ออกมาเป็นเวทนาเรียกว่าในขณะนั่งเนี่ยความรู้สึกเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็งมีตึงมีอ่ย่แลแข็งเคร่งตึงรู้ลักษณะเข้าไปรู้อันนี้เอ๊เข้าไปรู้มันทำไมนะเขารู้สิ่งเหล่านี้จิตขางเราวิ่งออกข้างนอกหรือกลับเข้ามาข้างใน ขณะที่เรารู้สิ่งเหล่านี้จิตของเรากลับมาปัจจุบันหรือไปในอดีตอนาคตกลับมาอยู่ปัจจุบันใช่ไหมลักษณะมารู้อย่างนี้ต้องได้บังคับไหมมันเข้ามาเองอ่าเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไปทําสมถะเราบังคับให้จิตอยู่โดยที่ไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้มันจะอยู่ได้นานไหมไม่ได้นานเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกให้จิตมาอยู่อย่างรู้อาการต่างๆเหล่านี้จิตแล้วมันก็จะอยู่โดยอตัตโนมัติเหมือนเราเอา สัตว์มาขังอย่างเราไปตามล่าจะตั้งนกเพียงต่างนะจับได้ก็มาขังนที่เราจะเลี้ยงนกแต่คนอเมริกาคนยุโรปเขาจะให้นกมาอยู่บ้านเขาโดยที่ไม่ต้องไปไล่จับเขาทาไ ง, งเขาก็ซื้อเม็ดเมล็ดพันธุ์ต่างๆใช่ไหมมาห้อยแขวนไว้หน้าบ้านหูนกมันก็ ม, า, มากินนกนูปูปีกทั้งกระรอกกระแตมาหากันหมดมันก็ได้ดูันทุกวันเยอะโดยที่ไม่ต้องไปจับมันยากเลย นะบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะแข่งกันว่ามีนกชนิดไหนมีมากกว่าแต่บ้านเราเองไงนอกจากจะไม่ดึงมาแล้วก็ไปไล่จับให้ป่าค่าเขาเรียกประเทศด้วยพัฒนาก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ประเทศพัฒนาเขาก็จะรักษาเขาก็จะให้ความดูแลคุ้มครองนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะเสร็จแล้วใจใจของเราเหมือนกันระหว่างเราหารายละเอียดอะไรต่างๆให้มันมาเข้ามาเองเนี่ยดีกว่าที่เราบัางคับให้มันอยู่นะ ไม่คิดนะไม่ไปไหนนะสกุลแล้วสะกดอีกแล้วจริงๆมันอยู่ได้ไห ม, มยิ่ ง, บ, งบังคับมันก็ยิงเตลิดใช่ไหมสัตว์ยิ่งจะพยายามจับบังคับมันก็ยิ่งบินหนีจิตของเราเหมือนกันถ้าสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ยให้มันเข้ามาดูเข้ามาศึกษาปั ก, กจิตมันก็อยู่ถ้ามันมีของกินของเล่นอยู่มันก็อยู่ง่ายนะอันที่สี่เออในลักษณะของ การดูยืนเดินนั่งนอนนะท่านบอกว่านะคัดชั้นตัวคัดชาติมีติปัจชานเมื่อเดินก็ให้รู้ชัดชัดท่านใช้คําว่าประชานาติลักษณะการคือให้รู้ให้ชัดยืนก็ให้รู้ให้ชัดว่ายืนเดินก็รู้ให้ชัดว่าเดินนั่งก็ให้รู้ให้ชัดว่านั่งคําว่าชัดด้วยชัดด้วยความรู้สึกตัวกับชัดด้วยความรู้สึกเจ็บต่างกันไหมชัดด้ยความรู้สึกเจ็บเธ่ก็นั่งบิดไปบิดมาเนี่ยนะไปมารู้สึกเจ็บไม่สบาย แต่ในลักษณะที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกตัวลักษณะชัดแบบนี้นะเออนั่งแบบนี้ชัดสบายไม่สบายอให้รู้ชัดแต่พอมารู้สึกในส่วนย่อยท่านไม่ใช้คําว่ารู้ชัดท่านใช้ว่าสัมปชันคือรู้ให้ทั่วให้พร้อมรู้ให้รู้ชัดหมายความเป็นจุดๆใช่ไหมถ้ารู้ให้ทั่วพร้อมเราก็ดูทั้งหมดที่ว่าไฟฉายเมื่อกี้ อันนี้คืออาการเของการดูในเรื่องของอียบุตสี่ยืนเดินนั่งตอนแรกเราว่าได้ลมหายใจใช่ไหมแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนและในยืนนั่งนอนมีตัวอีบยบุตรย่อยๆซ้อน ๆ, ๆอยู่เราเข้าไปดูอันนี้อันที่สามแล้วอันที่สี่เราดูอาการของาธาตุธาตุเคลื่อนไหวนี่เป็นาธาตุของลม้าตุนั่งได้นี่เป็นาธาตุของยืน ธาตรู้สึกเย็นถัดน้ํารู้สึกร้อนไม่สบายเป็นธาตุไฟนะอันนี้คือทั้งสี่นอกนั้นก็อาการในตัวของเรานี่ประกอบด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้นทั้งหมดกี่ชิ้นในตัวของเรานี่เหมือนรถคันหนึ่งที่เราเรียกว่ารถเพราะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลา ย, ลายส่วนประกอบกันใช่ไหมเราเรียกว่ารถเราเรียกว่าคนก็ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้นส่วน ได้มาจากพ่อยี่สิบชิ้นได้มาจากแม่สิบสองชิ้นเรียกว่าอาการอาการอนไหนที่ร้อนแรงแข็งกร้าวเป็นอาการของพ่ออาการไหนหนุ่มนวลเยือกเย็นอ่อนไหวเป็นอาการของแม่มีแค่เราก็เลือกอาการสามสิบสองในอาการสามสิบสองนี้รวมแล้วออกมาเป็นอาการหลักๆที่สัมพันธ์ได้กี่อาการคือ สบายและไม่สบายเราพูดถึงเรื่อาการทางกายยังไม่พูดอาการทางจิต น, นะ อ, ะอะความรู้สึกสบายและไม่สบายใช่ไหมความรู้สึกสบายไม่สบายแค่สองอาการแค่นั้นเองแต่ว่าส่วนประกอบมันก็มีถึงสาสบสองส่วนแทนที่จะไปไล่ดูทีละส่วนทีละส่วนถูกไหมถูกเหมือนกันเป็นสมถะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาก็จะได้ดูอาการของความรู้สึกที่เป็นสบายและไม่สบายนะเอาละทีนี้เรียกว่า ธาตสี่อาการส2สองอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่ดูทั้งหมดดูร่างการเป็นหกเรื่องนะเรื่องที่หกในขณะที่เรานั่งเนี่ยความรู้สึกไม่สบายเป็นของดีหรือของเสียความรู้สึกที่หนักเนี่ยหนักง่วงน่วงท่วงทับ อ, อึดอัดเป็นรู้สึกสบายนะไม่สไม่สบายใช่ไ ความรู้สึกไม่สบายเป็นของดีหรือของเสียของเสียเรียกว่าไม่สวยงามใช่ไหมเรียกอสุขะและปฏิกูลแต่เราไปพิจารณาปฏิกูลอ๋ออันนี้มันเน่ามันเหม็นมั น, มนบูดมันเสียมันไม่ใช่เป็นของสวยงามเราก็ารังเกียดถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมถะแต่พิจารณาอาการว่าเออความรู้สึกที่มันไม่สบายเหมือนของบูดของเน่าของเสียอารมณ์บูดใช่ไหม อารมณ์เสียเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นของเน่าใช่ไหมเป็นของเสียเป็นปฏิกูลไหมเป็นปฏิกูลอ่าให้พิจารณาอาการอย่างนี้อาการมันเสียมันเน่าทางอารมณ์ก็คือสิ่งที่ไม่สบายใจในทางร่างกายก็สิ่งที่ไม่สบายกายแล้วก็แก้ไขบําบัดออกไปให้พิจารณาอย่างนี้ตกลงว่าการเฝ้าดูอย่างไรเฝ้าดูร่างกายมีทั้งหมดกี่อย่า ง, ง ห, หนึ่งลมหายใจสอง อีบ 4, อุตรสี่าอบทย่อย4 5 4 5หอาการ32 6หความรู้สึกปฏิกูลไม่สวยงามคือความสบายนะ้ไม่สบายมีตลอดใช่ไหมอันเนี้ยเรื่องของกายมีอยู่แค่นี้ถ้าตามรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหอย่างเนียอย่างชัดเจนเสมอเรียกว่าเรื่องของกายจบละดูกายจบละ แต่ว่าดูจบหรือไม่ใช่จําได้หมายความว่าแก้ไขได้ด้วยนะแก้ไขได้ด้วยแล้วก็ใช้ได้โดยมีความรู้สึกตัวพร้อมตลอดเวลานั้นเขาเรียก ว, ว่าจบเรื่องกายแต่ว่าอ่านจบจําได้หมดแต่ว่าความรู้สึกตัวทุ่งพร้อมไม่มีเลยอันนี้เรียก ว, ว่ายังไม่รู้เรื่องกายเลยมีแต่ความจําไม่มีความจริงนะเราต้องการรู้รู้แจง้งรู้จริงไม่ต้องการรู้จำํำและรู้จักถ้ารู้จํารู้จักแค่จําได้ท่องได้ก็เด็กก็ได้ละใช่ไหมแต่ว่าเอออาการ รู้สึกแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นให้ใช้แค่กุญแจแค่สองตัวคือสัมปชัญญะและสติอ่าสัมปชัญญะและสติแล้วดูอาการของกายทั้ง6นี้นะทีนี้ในอาการทั้งหมดของกายเนี่ยนะมาสรุปอีกทีนะในอาการทั้งหมดของกายที่เราดูมาทั้ง6เนี่ยมันมีความรู้สึกหลักๆอยู่กี่ความรู้สึกทั้งหมดอะ ทั้งสิทั้งหอย่างเนี่ยมันจะมีอาการหลักๆออกมาในในกายของเรามีกี่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจแต่มันมีอีกอาการหนึ่งอ่าอาการที่เป็นกลางความสบายอาการที่สบายเรียกว่าสุขเวทนาอาการที่รู้สึกไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนาอาการที่เป็นกลางเรียกว่าอะทุกขมัสุขเวทนาคำคำนี้เราอาจจะไม่คุ้นนะนะ แต่เป็นอาการเป็นกลางกลางคือหมายความว่ามันปรากฏตรงไหนอาการนี้ปรากฏตอนที่เราขณะนี้คือเรานั่งรู้สึกสบายหรือไม่สบายไม่สบายเรียกว่าสุขเวทนา้ะพอเราเปลี่ยนไปปับเกิดความสบายเรียกว่าสุขเวทนาในขณะเปลี่ยนเรารู้ไหมว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขณะที่เราขยับเปลี่ยนน่ะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตรงนั้นอาการตรงนั้นไม่ชัด ตรงนั้นระหว่างกลางระหว่างสุขทุกข์เรียกว่าอัตุกข้มสุขเวทนามันแค่แวบเดียวเป็น like konnte, ช่วงต่อช่วงเชื่อมต่อระหว่างความสบายไม่สบายเรียกว่าอัตุขเขมสุขเวทนาเป็นอาการของกายนะตามทันไหมอาการแบบนั้น ม, <S <s มันแว บ, บเดียวแค่นั้นเองในขณะที่เปลี่ยนเท่านั้นเองในขณะที่เปลี่ยนแต่ก็ต้องเรียนรู้มันว่ามันมีอยู่ให้ดูให้หมดเพราะฉะนั้นอาการทางากายจึงมีสามอาการแต่เราเอามาเวลาเปลี่ยนเป็นอาการทางจิต มันก็มีสามอาการแต่เปลี่ยนเป็นอาการที่มาใช้เพื่อที่เป็นหลักแค่สองอาการคือสบายและไม่สบายพอใจหรไม่พอใจแต่เป็นเป็นอาการของจิตก็เป็นคาว่าใช้คาว่าโสมนสัสเวทนาสบายแล้วเกิดความยินดีใช่ไหมเรียกว่าทางใจเลยเกิดความยินดีเรียกว่าโสมนสัสเวทนาถ้าเกิดอาการไม่สบายกายเกิดความไม่พอใจเป็นโทมนสัสเวทนาคือความไม่สบายใจ แล้วถ้าเป็นอุนทุกข์เามาสุขเวทนาอาการรู้สึกไม่ใช่ทั้งสองอย่างท่านใช้คําว่าอุเปกรขาวเวทนาคือความรู้สึกที่ยังเอไม่แน่ว่าเป็นอะไรเฉยๆอยู่อุเปกรกขาวเวทนาคือคือไม่ได้รู้หเลยซ้ำไปเพราะว่าคนทพ่วไปที่ไม่ได้เจริญสติก็จะไม่เห็นความรู้สึกตัวนี้ใช่ไหมขณะที่เปลี่ยนน่ะเคยเห็นไหมช่วงเชื่อมต่อระหว่างความสบายไม่สบายที่เราเปลี่ยนปั๊บเนี่ยพอเปลี่ยนปั๊บ จากที่นั่งหนัหนกๆไม่สบายพอเปลี่ยนเพรารู้สึกสบายมาทนีช่วงเชื่อมต่อช่วงนั้นเราเคยเห็นมันไหมอย่าว่าแต่คนไม่ปฏิบัติแต่คนปฏิบัติเองทำไมสังเกตก็ไม่ทันใช่ไหมแต่ถ้าใครสังเกตทันสามารถเปลี่ยนอุเปเฆาเวทนาให้เป็นอุเปเฆาสัมโพธชงได้เลยตัวนั้นไปนกลับเป็นตัวปัญญานะสังเกตเห็นความรู้สึกสบายใจมาเป็นความพอใจมันก็จะเป็นไปตามลําดับ ดังนั้นเองในช่วงเช้าเนียเราพูดถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องกายแล้วลองไปทําดูนะขอ้ขอค่อยสอบในวันนี้แล้วเราก็จะมาถามว่าใครทําได้ไม่ได้ให้เพียงแต่เข้าไปรู้หลักๆแค่สองอย่างคือความรู้สึกสบายรือไม่สบายทางกายนะถ้าหากว่าเป็นความรู้สึกทางเวทนารู้สึกพอใจและไม่พอใจไปดูจิตรู้สึก คิดหรือไม่คิดอารมณ์รู้สึกดีหรือไม่ดีแต่มันมีแค่2 อ, อย่างแต่มันขยายเป็น4นะต้องการให้โค้ดทั้งสี่เหมือนไม้มันมี4ี่กากอย่างเงี้ยนะนะแต่ละกาบม่าแบ่งเป็นสองซิกสองสิกดนั้นอันนี้คือทั้งในส่วนปริยัติปฏิบัติเราจะต้องไปทบทวนดูโดยการใช้พื้นฐานสองตัวคือศรัทธาและความเพียร แต่คาการเข้าไปสังเกตเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขสองตัวนี้คือมีสถานและความเพียรถ้าคุณไม่มีสถาที่ทําไม่มีความเพียรที่จะทำไอ้สิ่งที่เราว่ามันนี่มันเป็นจริงขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เรามานั่งปฏิบัติมานั่งเรียนเสียเวลาไหมเสียเวลาก็ไปนอนนะมันแก มันไม่เป็นประโยชน์นะแต่นั่นเองก็ข อ, อนมทราในการที่เราจะตั้งใจศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งใจและต่อเนื่องถูกต้องโดยการทุกคนทุกท่านเถอน